ทานไม่มีศินเหมือนทานโยมไปเรือเรือพายสินค้าไปเรือพายแล้วถ้าโยอมมีศินขึ้นมาเอกตั้งสติไว้การทําทานโยมจะได้บุญเหมือนทานของสินค้าโยมไปรถยนต์ขึ้นนี่ทานนั้นสูงขึ้นถ้าเราไปเร็วขึ้นถ้าโยมมีภาวนาด้วยทานของโยมคือสินค้าจะไปขึ้นบินนี่นี่ต้องเข้าใจงี้ก่อนค่ะ